ธรรมะคำสั่งสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสวากาโตภกวตาธรรมโมเป็นธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสั้นดิธทโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกไม่ประกอบวยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ได้แสดงอธิบายมาถึงบทที่หกนี้โดยสาธกสติปัฏฐานมาถึงธรรมานุปัสสนาในข้อโพชฌงและก็ไดยยกอธิบายการปฏิบัติโพชฌงในพรหมบิหาาธรรมและก็ได้แสดงอธิบายมาถึง ข้อมุทิตากรมวีหารอันเป็นข้อที่สามโดยปฏิบัติตามหลักโพชงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้คือการปฏิบัติโพชงในกรรมฐานทั้งหลายและก็เลยทรงยกเอากรรมฐาน อันเป็นฝ่ายสมถะเป็นอันมามาสาธกแสดงด้วยการปฏิบัติตามหลักโพชงและหมวดพรหมวิหารทั้งสี่นี้ก็เป็นหมวดหนึ่งที่ตัดเอาไว้ในพรหมวิหารข้อที่สามมุทิตาที่ท่านแปลกันไว้ในภาษาไทยว่า ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขมีความเจริญปราศจากความไม่ยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นอันเรียกกันวาริสยาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำจิตให้ยินดี ในเมื่อผู้อื่นได้ความสุขความเจริญปราศจากความริษยาไม่พอใจในความสุขความเจริญของผู้อื่นอันความริษยานี้ก็กล่าวเลยว่าเป็นกิเลสข้อหนึ่งในจิตใจของสามั ญ, ญชนทั้งปวงเช่นเดียวกับ โอสะพยาบาทและวิหิงสาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สัสดสอนถึงธรรมะสำหรับที่จะเป็นเครื่องดับกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นเหล่านี้แต่ละข้อและในการ อบรมกิจให้มีมุธิตานี้ก็อบรมกิจให้แพ่ไปได้ทั้งโดยเจาะจงทั้งโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงนั่นก็ดังเช่นที่ได้ยกมาแสดงในข้อเมตตาการุณาโดยไม่เจาะจงก็เช่นเดียวกันและ ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้บังเกิดโสมนัสคือความยินดีอีกอย่างหนึง่งบังเกิดขึ้นในความสุขความเจริญของผู้อื่นโสมนัสคำนี้ก็แปลกันว่าความยินดีบ้างความดีใจบ้าง ความชอบใจบ้างอันประกอบด้วยความกระยิ่มใจใครจะได้เช่นนั้นบ้างอันนับว่าเป็นกิเลสคือทำให้เกิดโลภะตัณหาอยากที่จะได้จะถึงความสุขความเจริญเช่นนั้นบ้างอาการดังนี้ รวมเข้าในคำมสมนัดในที่นี้จึงตรงกันข้ามกับคำมุทิตาความพลอยยินดีอันผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญนั้นก็ย่อมมีความยินดีในความสุขความเจริญของเขาส่วนผู้ที่เจริญมุทิตานี้เป็นคนอื่นซึ่งเมื่อได้เห็น เมื่อได้ยินว่าเขามีความสุขความเจริญก็พรอยยินดีกับเขาด้วยคือมีใจแช่มชื่นปราศจากความริษยาและก็ไม่เป็นโสมนัสคือความพรอยดีใจ อันเป็นายกิเลตซึ่งประกอบด้วยความกระหยิมใครจะได้อันเป็นโลภะตัณหาในความสุขความเจริญนั้นเพื่อตนคือไม่ยินดีเพื่อตนนั่นเองแต่ยินดีเพื่อผู้ที่เขาได้เขาถึงโดยเมริศยาแต่ถ้ามายินดีเพื่อตนขึ้นเมื่อใด ก็เป็นโสมณัตเหมือนนั้นแล้วก็เป็นกิเลสอันโสมณัตนี้มีที่ตั้งใกล้กันคล้ายกันหรือเป็นอันเดียวกันกับมุทิตาคือมุทิตานั้นก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติในเมื่อผู้อื่นในประสบ สิ่งที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อเขาได้ประสบก็เรียกว่าเขาได้ความสุขความเจริญเป็นไปในทางได้หากว่าจะยกตัวอย่างในโลกกระททั้งแปดก็คือได้ลาบได้ยศได้สนเสริญได้สุขต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตังของมุขที่ตาและก็เป็นที่ตังของโสมนัส้วยเพราะฉะนั้น โดยปกติจิตของสามัญชนที่ยังไม่ได้อบรมเมื่อเขาเรีประสบความสุขความเจริญดังกล่าวก็มักจะเกิดความริษยาและมักจะเกิดโสมนัสได้ด้วยในเมื่อคิดกระยิมมาเพื่อตนคิดฝันมาตนก็จะได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเขาเมื่อคิดฝันไปว่าได้ สิ่งที่น่ารใครปรารถนาพอใจดังนั้นคิดไปก็โสมนัสยินดีไปแต่ว่าเมื่อเขาได้วิสยาจิตสามัญชนมกักจะเป็นดังนี้เพรนาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกรัสให้แก่โดยปฏิบัติทางมุติตาอบรมจิตให้มีมุติตาให้เป็นความยินดีในความเป็ความเจริญของเขาเพื่อเขา ไม่เป็นยินดีเพื่อตนซึ่งเป็นโสมนัสเพราะว่าเขาได้ไม่เชตุนได้ตนยินดีเพื่อเขาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติที่ดับได้ทั้งริศยาและทั้งโสมนัสดังกล่าวเป็นมุทิตาที่เรียกว่าความพรอยยินดีอันเป็นพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติอบรมจิต ให้ประกอบด้วยมูธิตาลังกล่าวมานันนี่ก็ต้องอาศัยหลักโพชงทั้งเจ็ดตั้งตนในหลักสติสัมโพชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือสติความระลึกได้คือต้องตั้งจตติกำหนดถึงสัตว์บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงก็คือสัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นภู ได้ประสบความสุขความเจริญดุจดังจิตว่าขออย่าให้เขาพลัดพรากหมดสิ้นไปจากสมบัติที่ได้แล้วให้เขาดำรงอยู่ในสมบัติที่ได้แล้วอันเป็นความปรารถนาดีต่อเขาเมื่อทําตติ ให้กำหนดอยู่ในบุคคลผู้ที่ได้สมบัติแห่งความสุขความเจริญต่างๆและตั้งจิตเจตนาคือความคิดยงใจให้เขาไม่พลัดพรากไปจากสมบัติที่ได้แล้วดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเจริญอบรมมุทิตา ด้วยสติสัมโพชฌงค์และในการที่ทำสติสัมโพชฌงค์ดังนี้ก็จะต้องมีธรรมวิจยาสัมโพชฌงค์ข้อที่สองประกอบกันไปเพราะว่าอากุศลจิตต่างๆย่อมบังเกิดแทรกแซงขึ้นได้ในการตั้งสติแพนมุติตาจิตดังกล่าวนี้อันเป็นความลิสิยาบ้างเป็น โสมนัสบงความริษยานั้นก็คือความไม่ยินดีที่จะให้เขามีความสุขความเจริญให้มันลุึงสมบัติดังกล่าวและก็หมายถึงว่าทำให้เกิดความคิดที่จะทำลายให้เขาพลัดพราบไปจากสมบัติที่ได้แล้วนั้นด้วยอันเนื่องมาจาก คลิสยาเพราะความลิษ ย, ยานี้ย่อมมีความหมายไปถึงความคิดทำลายความดีความสุขของคนอื่นดังกล่าวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นท่านยังได้แสดงว่าความลิษยานี้มีโทษหมกเป็นเครื่องทำลาย ความดีความสุขของคนอื่นและก็ชื่อว่าเป็นเครื่องทำลายความดีความสุขของส่วนรวมของหมู่ชนด้วยอันหมู่ชนที่ดำรงอยู่ได้โดยเป็นครอบครัวเป็นหมู่เล็กขึ้นไป ใหญ่ขึ้นไปจนถึงเป็นประเทศชาติก็เพราะมีบุคคลในครอบครัวในหมู่ในประเทศชาติเป็นคนดีประกอบคุณงามความดีขึ้นเป็นเครื่องเกื้อกูลต่างๆโดยลำดับมาเพราะฉะนั้นทุกๆคนจึงต่างได้มี ท่านภูเป็นบุปการีของตนคือภูที่ทำบุปการีมาก่อนตั้งแต่ในครอบครัวขึ้นไปจนถึงเป็นประเทศชาติหรือเป็นโลกซึ่งได้ทำคุณงามความดีต่างๆไว้ทำให้หมู่ชนดำรงอยู่ได้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้น ความสุขความเจริญของครอบครัวเป็นหลอดจนถึงของประเทศชาติของโลกยอมบังเกิดขึ้นจากคุณงามความดีของผู้สงคุณงามความดีทั้งนั้นจากนั้นถ้าหากว่าถ้าใครดีขึ้นมาก็ต้องริษยากันต้องทำลายกันลงไปหลังนี้แล้ว ก็เป็นการที่ตัดความสุขความเจริญของหมู่อันรวมมาถึงเกศของตัวเองด้วยถ้าคนดีทั้งหลายได้ถูกฤษยาถูกทำลายไปเสียนุ่ยมากแล้วหมู่ชนเหล่านี้หรือว่าโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเลือดร้อนต่างๆความชั่วต่างๆ ความทุกข์ทรมาณต่างๆความเบียดเบียนกันต่างๆแต่การที่ได้พากันมีความสุขความเจริญอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังมีคนดีอยู่ในหมู่ในโลกที่ประกอบคุณงามความดีเกือ้อกูลต่างๆดะฉะนั้นอิศยาจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมากและแม้ความโสมนัส คือความยินดีเพื่อตัวเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษมากเพราะทำให้เป็นผู้ที่มีความเห็นแค่ตัวมุ่งจะให้ตัวใลหลบับในยศได้สนเสริญในสุขแต่ เ, เพียงพู้เดียวหรือแต่เพียงที่เป็นผูกพ้องของตัวญาติของตัวอันเป็นความคิดที่ขับแคบ และเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้ขนขวายมาเฉพาะเพื่อตัวเพื่อพ่วของตัวญาติมิตรของตัวตัดรอนผู้อื่นที่เขาจะได้ดีมีสุขบ้างะฉะนั้นทั้งฤาษยาและความที่มีโสมนัสเพื่อตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่า ริศิยาผู้อื่นแต่ไม่ริศิยาตัวผู้อื่นได้ดีมีสุขริศิยาแต่ว่าตัวได้ดีมีสุขโสมนัสยินดีดังนี้จึงเป็นเครื่องตัดความตัดทอนความเจริญทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นลพระทธเจ้า ยังได้ทรงสอนให้มีมุทิตาเป็นการที่รู้จักทำใจให้กว้างขวางเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็ยินดีเพื่อเขาและเมื่อตัวได้ดีมีสุขจะยินดีเพื่อตัวเป็นโสมนัสก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีความคิดขับแคบ์เมื่อเขาได้ดีมีสุข ก็ไปเพอ้อฝันว่าทำไมตัวจะได้ตัวยินดีไปว่าตัวจะได้ต่อเมื่อไปฤิสยาคือตัดร้อนเขาลงไปเพื่อตัวจะได้ดังนี้เพราะฉะนั้นมุทิตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพิจน า, น า, นารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามีความสำคัญจริงๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วดูสังเขปเพราะฉะนั้น จึงต้องมีธรรมวิจัยความเลือกเฟ้นธรรมในใจของตัวเองในเมื่อความริษยาในความดีความสุขของผู้อื่นและโสมนัสคือพอใจแต่เฉพาะให้ตัวเนดีมีสุขเท่านั้นอันเป็นความคับแคบดังนี้มันเกิดขึ้นต้อให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศล น, นี่มีโทษ นี่เป็นของเลวเพราะฉะนั้นมุติตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากพิจน า, นานรณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามีความสำคัญจริงๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วดูสังเขปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมวิจัยวางเรื่องเฟ้นธรรมในใจของตัวเองในเมื่อ ความริษยาในความดีความสุขของผู้อื่นและโสมนัสคือพอใจแต่เฉพาะให้ตัวเลยดีมีสุขเท่านั้นอันเป็นความคับแคบดังนี้มันเกิดขึ้นเรให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลนี่มีโทษนี่เป็นของเลวนี่เป็น ธรรมะที่เรียกว่าสีดำเทียบเนกับสีขาวเมื่อพิจารณาให้รู้จักโทษดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยขึ้นในส่วนหนึ่งและเมื่อปฏิบัติอบรมมุติตาให้มันเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่ามุติตาคือความยินดีโดยความคิดว่าขอให้เขาอย่าได้เสื่อมในกความสุข สมบัติที่เขาได้อันแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีใจกว้างและทำให้จิตบริสุทธิ์จากนิษยาจากโสมนัสเพื่อตัวดังกล่าวมุติตาดังที่กล่าวมานี้เป็นกุศลไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ประนีต เป็นธรรมะที่เป็นส่วนขาวรู้จักแยกสิ่งที่ผุดขึ้นในใจตัวเองดังนี้ให้รู้จักหากเป็นมุติตาขึ้นมา ก, ก็ให้รู้วันดี้ดีจะเป็นนิยาเป็นโสมนันเพื่อตัวก็ให้รู้วันนี้ไม่ดีแล้วก็ให้รู้ว่าส่วนที่ไม่ดีนั่นก็ตรงละเสีย แต่ว่าส่วนที่ดีนั้นควรจะอบรมให้มันเกิดขึ้นเราเฉพาะในข้อนี้วินสยากับโซมันัทเพื่อตัวเป็นข้อที่ควรละเสียส่วนมุทิตาเป็นข้อที่ควรอบรมให้มีขึ้นดังนี้เป็นธรรมวิจัยจำแนทธรรมจำแนทธรรมในใจของตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญมากอะไรผดขึ้นในใจตัวเองก็ให้รู้ ชั่วก็ให้รู้ว่าชัว่วดีก็ให้รู้ว่าดีดังนี้แล้วก็เป็นธรรมวิญญาสมโพธชงเมื่อเป็นดังนี้นะจึงมาถึงข้อสามวิย ญ, ญาสมโพธชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือความเพียรก็คือต้องเพียรละไฟอากุศลต้องเพียรอบรมายกุศลให้มันเกิดขึ้น ประกอบด้วยความริเริ่มคือให้เริ่มที่จะละฝ่ายอกุศลเริ่มที่จะอบรมฝ่ายกุศลให้มันเกิดขึ้นให้เป็นความริมเริ่มขึ้นมาคือคอยละฤติยาละสมนัตเกิดตัวและอบรมมุทิตาให้มันเกิดขึ้น คือทำใจให้พลอยยินดีโดยทําใจให้คิดตั้งเจตนาห้องใจให้ให้แรงออกไปเราขอให้เขาอย่าได้เสื่อมจากสุขสมบัติต่างๆที่เขาได้มุ่งใจออกไปให้แรงให้เขาไม่เสื่อมจากสุขสมบัติที่เขาได้ให้เป็นความเริ่มเริ่มทิจร ะ, ะเริ่มที่จะอบรมหลังนี้ขึ้นมาในใจ แล้วตรวจดูใจนั่งดูเองก็รู้ว่าเริ่มใดไหมแ้่ใจยังขุนัวอยู่เอาจริษยาเขาเอาแต่มุ่งเพื่อใจตัวเองเท่านั้นก็แปลว่ามุทิตาไม่เกิดมุทิตานั่นไม่เกิดด้วยคิดว่าเกิดได้ ว, ว่าเกิดด้วยความตั้งเจตนาอบรมใจตัวเองให้คิดไป คิดฟาแรงของนิสยาของความยินดีเพื่อตัวออกไปแรงๆแม้ว่ายัางดับนิสยาไม่ได้ยังดับความยินดีเพื่อตัวไม่ได้ก็ฟากิเลสเหล่านี้ออกไปแรงๆในด้านตรงกันข้ามก็ในด้านดาวะขอให้เขาอย่าได้พลาด จะได้เสื่อมเสียไปจากสุขสมบัติที่เขาได้และเมื่อมุ่งใจออกไปแรงๆดังนี้บ่อยๆกําลังใจที่มุ่งแรงออกไปดังนี้ก็จะมีพลังยิ่งกว่ากําลังของริศยาของความยินดีเพื่อตัวก็จะทําให้ความริศยาและความยินดีเพื่อตัวนั้นค่อยๆ เส่อมกำลังลงไปมุทิตาก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินความเพียรดังนี้ต่อไปให้ก้าวหน้าไปจนกว่าจะดับริษยาได้ดับความพอใจเพื่อตัวเท่านั้นได้และก็ส่งจิ ต, ตออกไปด้วยมุทิตาโดยสะดวกขึ้น เป็นมุขิตาที่บริสุทธิ์ขึ้นผุดผ่องขึ้นจากนิสสยาจากโสมนัสเพื่อตัวดังที่กล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทําให้มุขทิฏาปรมวิหารนี้บังเกิดขึ้นในจิตได้ปรากฏอยู่ในจิตได้ผ่องแผ่วอยู่ในจิตและความที่ผ่องแผ่วอยู่ในจิตนี้ก็ทําให้จิตนี้เอง ได้ปีติคือความกิมใจอันเกิดจากกิจของแพ้วกิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องสมองแม่ที่กล่าวมาจึงทำให้ได้ปีติสัมพุชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือปีติและเมื่อได้ปีติดังนี้แล้วก็จะได้ปัจสธิสัมพุชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือปัสสถิความส ง, งบกายความส ง, งบใจ มีสุขและเมื่อได้ปสัสติสัมโพชฌงดังนี้แล้วก็จะทำให้ได้สมาธิสัมโพชฌงองค์ถหงความรู้พร้อมคือสมาธิความตั้งใจมัน่นมีจิตที่สงบสงัด จ, จากอากุศลละธรรมทั้งหลายมีอารมณ์เป็นอันเดียวคือว่ามีมุขิตะความที่จิต มุ่งรีปราถนารีออกไปเป็นความเบิกบานยินดีในความได้ดีมีสุขของผู้อื่นบานศิษจากฤศยาบานศิษจากความยินดีเพื่อตัวแต่เป็นความยินดีเพื่อเขาในความสุขความเจริญของเขาจิตก็มีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิและเมื่อเป็นสมาธิก็จะได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเป็นข้อทอี่เจ็ดอแห่งความรู้ควอมคืออุเบกขาคือความที่จิตแพ่งสงบเฉยอยู่ด้วยบุติตาในภายในเป็นจิตที่บริสุทธิ์และกำกับอยู่กับสมาธิเพราะฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติอบรมมุทิตาพรหมวิหารตามหลักของโพชฌงษ์สังเกตดังกล่าวมานี้จึงจะได้เมตตาพรหมวิหารตั้งขึ้นในจิตอันเป็นจึงจะได้มุทิตาพรหมวิหารตั้งขึ้นในจิตอันเป็นสมถกรรมฐานข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสบรวบต่อไป